Duh. -huh. ได้เวลาที่ยัดยมก็จะได้รับฟังทำบรรยายกันการที่เราพยายามรักษาศีล ปฏิบัติในการเจริญสติปัญญา <c oughs> ก็เพื่อนำพาจิตที่ยังคล่องแวะหรือว่ายังยังลุ่มหลงอยู่ ให้เกิดสติปัญญาที่จะทำให้จิตของมนุษย์พุธุชนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เห็นแสงสว่างอันเป็นทางของสุคติใน ปัจจุบันและก็ไปสู่อนาคตอาตมาก็ได้แสดงไปหลายๆครั้งแล้วว่าผลกรรมของอดีตก็จะส่งผลมาสู่ปัจจุบันผลกรรมในปัจจุบันที่เราเราสร้าง ก็จะส่งผลไปสู่อนาคตทั้งใลกล้และก็ไกลมื่อกตมาเคยเคยสงสัยว่าทำไมคนนี้อายุยืยนทำไมคนนี้อายุสั้นทำไมคนนี้สุขภาพร่างกายเขาแข็งแรง ไม่ค่อยจะมีโรคที่จะเบียดเบียนที่เป็นโรคร้ายก็แค่ปวดหัวตัวร้อนตามสังขารที่เจอดินฟ้าอากาศแต่ก็ไม่หนักหนางนี้เป็นต้นหรือว่าบางคนก็ เกิดมาก็สุขสบายบางคนก็ทุกข์ลำบากบางคนก็ดูเหมือนมีอำนาจบางคนก็มีเงินมีทองใช้สอยแบบไม่ขัดสนบางคนก็เกิดมารูปร่างดีหน้าตาดีผิวพรรณดี บางคนเกิดมาก็สติปัญญาก็ดีบางคนเกิดมาก็พิการอาการส2สองก็ไม่ครบบางคนได้มาแล้วก็สูญเสียในบั้นปลายชีวิตก็มีก็เคย เคยสงสัยแล้วก็เคยอยากจะรู้เหมือนกันธรมาก็เลยบอกอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดก็ไม่จบในคำถามหาคำตอบ ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปถามใครจบที่ไหนวันหนึ่งก็ความรู้ก็ได้หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในก็เหมือนกับอยากจะตอบว่า ไม่มีใครหรอกมากำหนดเราแต่มันเป็นกรร ม, มลิขิตให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปตามเคราะห์กรรมหรือเป็นไปตามหลักของกรรมตรงนั้นก็เลยถามว่าเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนดเอาอะไรเป็นตัวชี้ชะตาเอาตัวอะไรมาเป็นผล อเอาการกระทำนะมาเป็นตัวชี้ตัววัดและก็ผลที่จะรับก็เลยยกตัวอย่างถามแล้วคนที่เขาอายุสั้นเพราะอะไรบางคนยังไม่ถึงวัยอันสมควรก็ต้องตายแล้วว่าสิ้นชีวิตไป อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็อยู่กันเป็นร้อยปียาวจริงๆเก้าสิบแปดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าก็ถือว่ายาวกว็แล้วแล้วก็เจ็ดสิบก็อยู่ในเกณฑ์ก็เลยบอกอ บางคนไม่อยากตายใช่ว่าจะต้องไม่ตายมันเป็นไปตามกรร ม, มลิขิตบอกชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็ต้องก่อเวรสร้างกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอายุขัขมาก็คือเกี่ยวกับในถ้าเอาข้อเสดมา มาเทียบก็คือในข้อของปานาตีบาทฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้อายุสั้นลงท่า น, นโยมใครที่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กรรมที่จะสนองพวกเราก็คือเป็นคนอายุสั้น เป็นคนอายุสั้นได้โยงเป็นคนพัดพรากจากของรักผู้อื่นทำลายชีวิตผู้อื่นพวกเราก็จะถูกทำลายและถูกพัดพรากด้วยบางทีต้องเห็นลูกตายก่อนตัวเองนี่มันแม่ที่ว่าคนผมขาวเผาศพคนยังผมดาอยู่กับพ่อแม่มาเผาศพลูก ปู่ย่าตายายต้องมาเผาหลานเลนไงนั่นเป็นเพราะว่ากรรมเขากำหนดไว้ให้ไม่ใช่ว่าคนตายกำหนดเองจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามมีแรงดลใจให้ฆ่าตัวตายก็ได้ ถูกผู้อื่นมาสังหารก็ได้หรือเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยพิบัติอะไรก็ได้สรุปว่าอายุสัน้นจากโรคร้ายเบียดเบียนหนักก็แล้วแต่สรุปว่าอายุสัน้นเช่นคนที่เขาอายุยืนยาวเนี่ยเขาทําบุญอายุ ต่ออายุคำว่าต่ออายุเนี่ยหมือนมีโยมที่ยังไม่เข้าใจนะครบอรอบวันเกิดก็จะทำบุญวันเกิดต่ออายุโอ้โหข้าบัวข้า ไป่ฆ่าหมูล้มไปหลายตัวทำบุญนีบ่บนพระมาบอกทำบุญอายุเชิญแขกมาอาตมาบอกเริ่มต้นก็ผิดแล้วบอกทำบุญอายุแต่เอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้สั้นลงไม่ใช่ ทำบุญอายุหรือว่าต่ออายุนั่นทำให้อายุหมดเร็วแล้วก็สั้นลงนะเข้าใจใหม่นะโยมคนที่เขาทำบุญอายุเขาต้องให้ชีวิตช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่กำลังจะตายาไปช่วยถ่ายชีวิตมา ไม่ว่าโคไม่ว่าปลาหรือว่าสัตว์น้อยใหญ่ให้ชีวิตเขานั่นคือการต่ออายุบุญกุศลอาลิสงที่จะได้รับทำให้อายุยืนบางคนที่บอกชีวิตต้องอยู่ด้วยความทุกข์ทรมา น, นก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ ได้ทรมานชีวิตหรือสัตว์เบียดเบียนเขาจนไม่มีความสุขเลยชีวิตพอกรรมลิขิตกลับมาสู่ชะตาของตัวเองผลก็สะท้อนเหมือนกระจกส่องกลับมาคนนี้ก็ต้องอยู่อย่างทุกพลาภาพ ป่วยอดอดอแอดแอดซ้ำมีโรคร้ายอีกทุกทรมารบางคนรักษาไม่หายพอสมควรแก่กรรมวิบากก็สิ้นชีวิตไปจะนั้นโยมถ้าอยากจะอายุยืนทำบุญอายุต้องต่ออายุ สัตว์น้อยใหญ่หรือให้ชีวิตอย่าไปทำลายลมบัวล้มหมูล้มไก่แล้วบอกต่ออายุนี่มันไม่ใช่เอาเลือดคนอื่นออกมาแลยอมบอกเออเป็นการให้ชีวิตไม่ใช่ก เ, ออเข้าใจแล้ว อายุยืนอายุสันมันเกิดจากเหตุอย่างนี้เองความรวยความจนตมาก็นั่งดูใครก็อยากจะรวยใครก็อยากเกิดมารวยใครก็อยากเกิดมาดีในตระกูลที่มั่งคัง่งผู้มีโภคะสมบัติที่ไหนได้ เรามันถูกเลือกให้เกิดแล้วโดยกรรมเลือกให้จนหรือว่าเลือกให้รวยน่อยู่ที่โยมได้สร้างไว้คนได้สร้างกุศลทานบารมีมากเท่าไรก็เกิดในฐานะมั่งคั่งเท่านั้น สร้างบุญกุศลด้วยวัตถุทานมากเท่าไรบุคคลนั้นก็ได้รับความร่ำรวยทางวัตถุมากมายเท่านั้นผู้ที่ไม่ได้มีทรัพบยบ์ั่งคั่งมากมายหรือว่าร่ำรวยเป็นเพราะขาดเรื่องของกุศลฐานไม่ได้บําเพ็ญทานบา ร, รมี ยมดูขอทานยังเห็นในสูตรง่ายๆมีพระปัจเจกอยู่รูปนะท่านออกโคจรบินธรรมบาตเมื่อออกจากฌานสมาบัติท่านอยู่ส5บห้าวันแล้วท่านก็ออกจากฌานมาบินธรบาตก็เจอเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่ง พอเจอแล้วไม่ได้คิดจะถวายทานเลยก็ใจก็เกิดความรังเกียดดูถูกว่าพวกขอทานมากแล้วแล้วก็ทาการมันกับขากแล้วก็ถมน้ำลายทิ้งยมรู้ไหมว่าบาปครั้งนั้นที่ทำไปเท่าไหร่ตั้งแต่ชาตินั้นมา ความมั่งมีสีสุขไม่พบไม่เจอไม่เจออีกเลยแล้วก็เป็นคนโรคเรื้อนด้วยยากจนมาตั้งแต่ชาตินั้นเลยรอบหลู่เบื้องสูงผู้ที่เขามีบุญบารมีและเป็นผู้บรรลุแล้วนะ กระจกใสเท่าไหร่ก็สะท้อนมากเท่านั้นคืนกลับไปสู่ตัวเองเป็นคนไม่มีทานและอยู่อย่างอัตคัดขัดสนแล้วก็โรคเรื้อนด้วยฉะนั้นที่เห็นขอทานทุกวันนี้โยมจำไว้ใช่ว่าเขาอยากจะเลือกที่เป็นขอทานแต่ว่าทางเลือกตรงนี้ มันได้แค่เป็นขอทานในเวลานี้และก็เป็ดมีฉะนั้นอาจจะอดตายถึงบอกเออเขาเลือกกันนะชีวิตคนนึงเลือกสร้างทานบารมีเขาก็ได้ทรัพย์สินเจริงคานแต่บางคน กินบุญเก่าทานเดิมจนหมดสิ้นแล้วไม่เคยสร้างทานใหม่เลยยมนึกดูว่ายงช่างที่ยมเก็บไว้ยมกินข้าวในยงช่างที่เก็บไว้จนหมดแล้วก็ไม่ได้เพาะปลูกใหม่เลยยมลองคิดทศธรรมมาจึงบอกระวังนะ อย่าใช้บุญเก่าจนหมดอย่ากินบุญเก่าจนเกลี้ยงพอหมดแล้วทีนี้แหละโอ้โยผีซ้ำดำพล่อยที่ว่าอะไรอะไรก็มาซ้ำเติมหมดเลยคนจะเหลียวแลดูเราก็ไม่มีเพื่อนที่ดีเขาก็มันกับไม่ครบกับเรา หรือเพื่อนที่พอเพิ่งได้ก็ไม่อยู่แล้วอาจจะต้องแยกย้ายกันหรือตายจากกันสุดท้ายอยู่อย่างคนยากจนแล้งแค้นจงระวังนะกินบุญเก่าจนหมด ถึงเกิดอีกก็ยากจนอีกเชื่อเถอะถ้าไม่รู้จักสร้างทานสร้างทานบา ร, รมีธรรมะจริงบอกเออคนที่เขารวยเอารวยเอาเขามีบุญวาสนาเดิมส่งด้วยไม่ใช่พอปลูกปุ๊บต้นไม้จะโตปุ๊บขายได้ปับ๊บไม่ใช่ทุกอย่างมันมี มีเหตุมีผลในเวลาอันควรที่จะได้รับเออนี่ก็อีกข้อนหนึ่งความม่วรวยจนฐานะของผู้คนต่มบอกถ้าอยากจะทำชีวิตให้ดีขึ้นก็ต้องเริ่มสร้างบารมีใหม่ มานั่งเรียกร้องมานั่งขอพรจากพระเจ้าอยู่นะแล้วก็ไม่สร้างบารมีอะไรเลยแต่มาบอกพูดไปน้ำลายแห้งแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฉะนั้นผู้จเจริญอบรมทานศีลภาวนาแต่มาว่ามาถูกทางแล้วอยู่ ยืนยันว่ามาถูกทางแล้วแต่มาก็กสงสัยอีกว่าแล้วทำไมถ้าบอกสร้างทานบารมีแล้วจะร่ำจะรวยบางคนทำแล้วก็ม่เห็นร่ำรวยบางคนไม่ทำก็รวยเอารวยเอาเหมือนบางคนทำเร็วแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะตกต่ำอะไรเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขรถกับคันโตบ้านกันหลังใหญ่ที่ไร่ที่นาที่สวนก็เยอะแยะ ลูกหลานก็อิ่มมีพีมันไปหมดก็สงสัยแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราจเจริญสติระลึกดีๆยมจำคำเมื่อกี้ได้ไ้ยบอกว่าผลกรรมในอดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันผลกรรมในปัจจุบัน จะส่งผลไปสู่อนาคตอันใกล้และอันไกลฉะนั้นถ้าใครทำอดีตมาดีถึงปัจจุบันจะเละเทะแค่ไหนก็ตามบุญยังปกปักรักษาคุ้มครองเขาอยู่เพราะด้วยกุศลที่ส่งอยู่ไม่ใช่อกุศลที่เขาจะได้รับ แต่เมื่อเขากินบุญเก่าใช้บุญเก่าหมดแล้วของใหม่ไม่สร้างของใหม่ไม่ทำแล้วก็มาสร้างเวรกรรมเป็นของใหม่ในปัจจุบันโยมก็ดูต่อไปในอนาคตทั้งใกล้ทั้งไกลที่บอกถ้าใกล้ก็เห็นในชาตินี้แต่ถ้าไม่ไม่ทัน อายุหมดสิ้นก่อนก็ดูต่อไปในชาติต่อๆไปและรับรองได้ปลูกอะไรก็เป็นอย่างนั้นถึงบอกเออบางเรื่องโยมะระลึกดูพวกเราก็ทำบาปเบญกรรมยังตามไม่ทันใช่ไหมอาตมาก็ะระลึกเหมือนกันว่าเออเราเข้าข้างตัวเองมากไป ทำดีปีสองปีทำดีสิบยี่สิบครั้งก็นั่งเรียกร้องความดีว่าไม่เห็นมาสนองไม่เห็นมาส่งเสริมไม่เห็นมานำพาเห็นได้ลืมตาอ้าปากได้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นเราเข้าข้างตัวเองนะแต่พอลองมองมุมมืดสิ่งที่พวกเราทำในชาตินี้เหมือนกันหลายหลายอย่าง บาปกรรมก็ยังไม่ส่งไม่ใช่หรืออาตมาเราลึกดู่บอกเออมันถูกต้องนะไม่ใช่แต่กรรมดีที่ยังส่งที่ยังไม่ส่งกรรมชั่วบางบางเรื่องก็ยังไม่ส่งยังไม่เปิดเผยก็มีเออตามานั่งช่างน้ำหนักดูหนักเบาเออเข้าใจแล้วไม่ใช่เรา เป็นผู้ตัดสินอย่างเหมือนการปลูกต้นไม้โยไม่มีหน้าที่บลกลูกจะต้องออกลูกใหญ่กี่ลูกดอกต้องออกเท่านี้วันนี้เดือนนี้ตามที่เราอยากให้เป็นไม่ใช่มันมีการเวลาของเหมืนโยมีหน้าที่รดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ดูแลวัชพืชไม่ให้เข้ามาทําลาย ต้นไม้แล้วเรื่องดอกเรื่องหมากผลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของของเราต่อให้โยมเร่งปลูกรดน้าใส่ปุ๋ยเยอะเท่าไหร่มันก็ให้ตามกีจเดชเราไม่ได้ใส่มากเกินมันก็ตายให้น้ามากไป รากก็เปื่อยให้ปุ๋ยมากไปเค็มมันก็ตายเห็นัหมถึงบอกเออมันต้องพอดีของมันอา้าวเข้าใจแล้วฉะนั้นที่ทำดีผลกรรมดียังไม่สนองหรือว่ายังไม่ส่งให้อย่าไปทึกทักเองอย่าไปคิดเองว่า บุญที่ทำไม่มีผลอย่าบาปที่ทำแล้วผลจะไม่ตามมานอย่าอย่าคิดเราถ้าคิดอย่างนั้นจะเป็นมิจฉาจะเป็นมิจฉาคือพูดแบบไม่รู้แล้วตัวเองบางคนทำบุญเดีย เป็นคนใจบุญสุนทานตั้งแต่สาวเลยนะเอาว่าตั้งแต่เด็กก็ได้ตามพ่อแม่ข้าวัดปู่ย่าตา ย, ยายหิ้วพินโตข้าววัดฟังทำคอยอตะบันหมากให้ย่ายายกินอยู่เนะก็ได้นิสัยข้าววัดฟังทำใจบุญสุนทาน อยู่มาสี่ห้าหกสิบปีพอมาเจ็บป่วยใครก็มานอนเศร้าหมองว่าเออเราเข้าวัดตั้งนานทำไมบุญกุศลไม่ส่งให้เราเราต้องมานอนเจ็บอดอ ด, อดแอดแอดจะอาตอมาบอกโยมมันคนละเรื่องกัน กุศลผลบุญที่ทำมันจมาบอกปัจจุบันส่งไปสู่อนาคตไงแต่สิ่งที่ยมทำอดีตมันส่งมาสู่ปัจจุบันฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าไอ้ที่ป่วยที่เกิดจากกุศลกรรมบอกต่อมาออกไม่ใช่รับรองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าบุญนี้ชื่อว่าความสุข พิสูจทั้งหลายพวกเธออย่า ก, กลัวต่อบุญเลยบุญนี้ชื่อว่าความสุขพระพุทธเจ้าตรัสเองยืนยันได้บุญชื่อว่าความสุขไอ้ที่มนุษย์เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่จากบุญไม่ใช่จากกุศลเกิดจากบาปทั้งสิ้นเกิดจากอกุศลทั้งหมดที่เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคน อา้าเห็นหรือเปล่าโยมขนาดบางคนทำดียังโดนเขาอิจฉาริษยาทำดียังถูกกลั่นแกล้งทำดียังถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีเราไม่มองย้อนกลับเพราะว่าภูมิเก่าๆของเรา เราเคยเป็นตัวร้ายไหมหรือว่าโยมเป็นนางเอกทุกเรื่องเป็นพระเอกทุกเรื่อง เ, อเข้าข้างมากไปมากไปบางบางภูมิพพชาติเราเองก็มีฤทธิ์ยามอาจมาถามจริงบัดนี้ที่โยมฟังโยมว่าใจโยมนี้ไม่มีฤทธิ์ยามหรืออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ มีมากน้อยเรามีสติควบคุมได้แค่ไหนทุกคนอิจฉามีทั้งนั้นริษยาก็มีแต่มากน้อยเอาคนที่เราไม่ชอบถ้าได้ดีโยมรู้สึกสบายใจหรือไม่นั่นแหละนั่นคืออิจฉาแล้วนะแต่ถ้าคนที่เรารักเราชอบพอเจริญได้แม่ดีอกดีใจใหญ่หรือบางอย่างเราก็ดีก็ดีไป ไม่ได้ยินดีกับเขาหรอกคนที่ทำดีมากกว่าเราถูกเขาชมมากๆเข้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆ ก, ก็รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เหมือนกันนะขนาดแค่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกลูกบางคนยังบอกเลยพ่อรักพี่มากกว่าแม่รักลูกชายพ่อรักลูกสาวเนี่ย อิจฉากันบางทีรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจน้อยเนื้อต่าใจก็มีสิทธิ์มันออกได้หลายแบบบางคนแสดงด้วยความรุนแรงบางคนก็เก็บกรดบางคนก็น้อยเนื้อต่ใจบางคนก็บอกฉันไม่สนใจแล้วฉันไม่แคร์ใครออกจากบ้านเลยฉันอยู่ของของฉันอย่ามายุ่งกับฉัน มันแสดงออกได้หลายหลายแบบเอาสมบัติแบ่งไม่เท่ากันลูกสี่ห้าคนพ่อแม่ที่ทางแบ่งกันเงินทองแบ่งกันพอรู้สึกได้ว่าเอมันมันไม่ใช่ใจเราก็มีสิทธินะมีสิทธิ์เป็นเพียงว่าใครมีสติมากกว่า ใครมีคุณธรรมมากกว่าก็สามารถควบคุมจิตของตัวเองได้ก็เหมือนความโกรธทุกคนก็มีใช่ไหมโยมเออมากน้อยแล้วก็เมื่อไร่ความโกรธนะจะหมดไปพวกเราก็ละไปเรื่อยๆที่พูดตรงนี้พูดเป็นกลางๆไม่ได้ว่าเจาะจงใครเออ ยิ่งเข้าใจยิ่งรู้เนี่ยเห็นละกรรมวิบากส่งผลละไอ้ที่เจ็บป่วยไม่ใช่บุญนะส่งอยู่มันเป็นบาปอากุศลถึงบอกฉะนั้นให้เข้าใจใหม่ลูกหลานลูกผู้ภาวนา มีโยมอยู่คนหนึ่งสามีกับภรรยาเขาแย้งแย้งกันเรื่องทาบุญภรรยาก็ศรัทธาพอเช้าๆพระวันสำคัญก็ออกไปตักตักบ า, ราตรพอตักเสร็จเดินก็สะดุดล้มสามีก็ก็รักภรรยานะแต่ว่าจริตมันคนละแบบ ก็ไปไปด้วยกันพอภรรยาสะดุดลมสามีซ้ำบอกเห็นไหมพระช่วยมึงได้แล้วเออมันก็แปลกพระช่วยมึงได้เลยมึงลมเมื่อกี้เนี่ยคนถ้าคนที่เขาเที่ยงธรรมเขาก็ไม่พูดอย่างนี้นี่พูดแบบเหมือนเจ้าชนะ เป็นไงตักบาทหันหลังจะไม่ทันไรเดินสะดุดล้มพระช่วยมึงได้ไหมถ้ามึงไม่ออกมามึงก็ไม่ต้องเจ็บตัววัน น, นี้แล้วบอกว่าบุญบุญช่วยมึงไหมไม่มีที่ช่วยก็คือกู น, นั่นแหละพยุงมึงขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าทิศทีอย่างนี้คุยกันยาวเลย คุยเจ้ชนะกันบางคนถึงกับว่าไปทำบุญไหนไปทำเสร็จเอามาให้ดูด้วยนะถ้าเห็นตัวบุญเมื่อไหร่ฉันถึงจะค่อยไปทำปะ่ะมันก็เหมือนกับยงเคยได้ยินนิทานเรื่องคนข้ามฟาก ก็มีพระท่านก็เดินทุดงมาพอดีมีแม่น้ำถ้าจะข้ามก็ต้องนั่งเรือหรือว่าแพข้ามฝากพอโยมเห็นพระก็บอกเออนิมนต์นิมนต์พอลงเสร็จก็บพาข้ามฝากพอถึงฝากปุ๊บ พระบอกเออโยมมโมทนาบุญนะให้โยมได้บุญเยอะๆโยมก็พนนเมือกันเนกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้บุญเยอะแนะ่พระท่านก็ขึ้นพอขาจะก้าวไปถึงอีกข้างโยมก็สงสัยเอ๊ะทำไมยังไม่จ่ายบุญดิบอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่าน ท่านบอกจะให้บุญเยอะๆไหนแหลมบุญแหนะพระทวดองท่านก็เก่งนะองค์นี้ท่านนึกในจิตเลยบอกโยมคงนี้ยังไม่รู้จักบุญไม่เข้าใจบุญเอาไงดีวะคิดไปคิดมาท่านก็เอานิ้วมือล้วงเข้าไปรูจมูกขวานได้สักหน่อยเนยกันพอได้มาสักก้อนเล็กๆท่านก็เลย หันมาบอกเอาแบมือมาเอานี่แหละบุญคนเชียคนข้ามฟ้าก็มองาฟเรือข้ามฟ้านี่เลยบุญโอ้โหทำไมมันเล็กอย่างนี้<ม>เก็บให้ดีนะท่านบอกเราวังหายาไปแล้วละ่ะท่านก็ไปอันนี้ก็กลัวหายสิ เอาไงดีวะเอาอมมาที่ปากก่อนแล้วกันก็เลยหยิบบุญเนี่ยเข้ามาที่ปากปอพออมสักพอเข้าปากโอบุญรสชาติมันเค็มๆโอ้โหหลวงพ่อบุญนี้มันรสชาติเค็มๆนะครับพอเออบุญของหลวงพ่อมันเค็ม อาจจะเจอบุญคนอื่นองค์อื่นหวานก็ได้มันชักงงบุญมีหลายรสหรือเปล่าเนะี่ยที่แท้โยมเขาไม่รู้เลยบุรก็ได้ออมเนี <c> ่ย <oughs> คนไม่รู้ออสรุปแล้ว โยมนีโยมผู้ชายนี้ก็อยู่ได้ไม่นานก็ตายนะตายภรรยาก็อยู่ต่อเขาไม่เข้าใจนะจริงๆธรรมะบุญช่วยไหมอาตมาก็บอกว่าที่พวกเรามีความสุขสบายอยู่ได้นะ เป็นเพราะบุญนะไม่ใช่บาปยมดูคนที่สร้างบาปพอบาปตามทันเนี่ยมีใครมีความสุขบ้างยมดูเถตายไปก็ยังมีทุกติอับินแดนนรกพอชดใช้กรรมวิบากพอเหลือเศษเสี้ยวกรรมวิบากได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ก็ยังต้องชดใช้ในเศษแห่งวิบากกรรมต่อ ไม่ได้เกิดมามีความสุขนะเกิดมาใช้กรรมอย่าหวังเลยว่าจะมียศถาอำนาจมีสุขดีไม่ดีเกิดในยุคที่เขาคาธาตุอยู่ก็ได้ถ้ากรรมหนักๆ น, นะเกิดเป็นคนก็ยังอยู่แบบเหมือนค่าของคนเนี่ยของเราเขา เขาไม่ได้เปรียบว่าเป็นเป็นคนเท่าเทียมกันเขาให้เป็นไพร่เป็นทาตุอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นโยมบอกเป็นเพราบุญและส่งมาให้เป็นเป็นไพร่เป็นทาตบอกเปล่านะอกุศลผลแห่งบาปกรรมที่กดหี่คมเฮงผู้อื่นทํำลายผู้อื่นเบียนเบีย น, ยนผู้อื่นผลกรรมก็ต้องมาตก ละกรํารำบากทํามาเลยนั่งกาหนดตนัวบอกรู้แล้วเราทําบุญอย่าไปเรียกร้องอย่างน้อยทําแล้วให้ใจเราเนี่ยอิ่มเอิบเบิกบานสดใสผ่องใสผ่องแพ้วมีความเย็นและให้มีความ สุขกับสิ่งที่เราได้ทำให้ก่อเกิดแห่งประโยชน์สุขและไอเรื่องบุญที่จะส่งผลเนี่ยวิมานเราไม่ต้องสร้างบุญจะเป็นผู้สร้างวิมานเองเหมือนโยมทำบาปโยมไม่ต้องไปสร้างนารกหรอกบาปมันจะสร้างเองแต่มาพอกาหนดได้บอกเออ เข้าใจแล้วเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ต้องถามอีกแล้วสิ้นสุดคำถามรู้แล้วจะนั้นต่อจากนี้ไปเราต้องรักษาศีลให้ดีอย่าไปละเมิดศีลรักษาธรรมให้ดีใจเราก็จะมีความสุข จากการไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสน้อยใหญ่ฉะนั้นโยมปฏิบัติโยมจะกำไรในชาติปัจจุบันและส่งผลไปสู่อนาคตทั้งใกล้แล้วก็ไกลโยมจำไหมนะถ้าวันใดที่ความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา ทายมเคยสร้างกุศลผลบุญมาโยมอย่าไปเย็บเป็นเล่มเดียวอย่าไปโทษว่าบุญไม่ช่วยนะบุญเขาช่วยแต่ไม่ใช่เวลานี้นี่มันเป็นเวลาของบาปที่โยมได้สร้างไว้ในเมื่อโยมสร้างบาปจะให้บาปให้โยมมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ โยมก็ต้องก้มหน้ารับอกุศลวิบากกรรมที่ส่งผลให้โยมอยู่ถึงบอกว่าบางอย่างให้มีสติะระลึกถึงกรรมดีกรรมชั่วไว้บ้างจะทำอะไรครั้งต่อต่อไปเนี่ยอย่าคิดว่า สิ่งที่เราทำแล้วมันจะไม่มีผลตามมาทุกอย่างโยมเชื่อมเมล็ดข้าวเข้าเปลือกว่าไม่เจตนาหรือเม็ดถั่วเขียวไม่เจตนาแบกอยู่ถ้าเกิดถุงมันรั่วสักเม็ดสองเม็ดและถูกฝนเข้ามันจะแตกงอกเงยมาเป็นลำต้นได้มาเป็นต้นข้าวก็ได้มาเป็นต้นถั่วก็ได้ และถ้ายิ่งเจตนาเจาะจงทําลงไปเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มดันั้นเรามาภาวนาปฏิบัติรักษาศีลเจริญสมาธิอบรมจิตธรรมาว่าใจยมนิสูงสุดแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่บรรลุอรตามากล้าพูดนะใจยมนิสูงสุดแล้วนะธรามารักษาศีลฟังทำปฏิบัติ ใจยมนี้สูงสุดแล้วนะไม่ตกต่บเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่บรรลุแต่ว่าใจเรานี้ไม่ตกต่ำแล้วนี่คือจุดเริ่มที่ดีที่สุดที่เราหยิบยื่นให้กับดวงจิตและก็วิญญาณที่ท่องอยู่ในภูมิน้อยใหญ่ฉะนั้นโยมเลือก ถ้าต้องการอายุโยมต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าต้องการอยู่เป็นสุขเราต้องไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ถ้าไม่อยากมีโรคภัยไขเจ็บต้องไม่ทรมานทรกรรมสัตว์ถ้าไม่อยากติดคุกโยมห้ามเอาสัตว์ใดๆมากักขังทุกๆุกอย่าง จะกักขังด้วยความสวยความงามด้วยการอยากเห็นรูปอยากฟังเสียงเขาขันเนพอเลยเลิกเลิกอย่าเอาใครมาจองจำไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์อย่าเอาใครไปทุบตีอย่างทุกทรมานที่เราต้องการทาให้เขาต้องได้รับความเจ็บปวด หรือสนองความโกรธสนองตันหาสนองความริษยาสนองความชั่วของเราเนี่ยเลิกเลิกยิ่งพาวนารู้แล้วพอรู้เสร็จโยมรู้มาจิตยิ้มได้จิตยิ้มได้ใจยิ้มเป็นเย็นจนตายเลยชีวิตนี้สบายแล้ว เมื่อก่อนจะมายังไม่ยังไม่รู้จักจิตที่เป็นบุญใจก็เลยขุ่นคล่องอยู่เสมอเสมอพอรู้ว่าจิตเป็นบุญอย่างไรเรารู้แล้วจิตเราเป็นบุญอย่างไรเนี่ย ร, รู้แล้วใจที่ขุ่นมัวอยู่เนะี่ยมันก็เหมือนกระจก ฟ้าเห็นไหมก็มจะมองอะไรไม่เห็นแม้แต่ตัวเองเรายังมองไม่เห็นแต่ถ้าใจเรานิสัยเราก็จะมองเห็นในน้ําเราก็เห็นในกระจกเราก็มองเห็นชีวิตตัวตนของเราเราก็มองออกมองเห็นรู้หมดทุกอย่าง เขาเรียกเป็นฝ่ายข่าวไม่ใช่ฝ่ายของอวิชชาแต่ว่าถามว่าทำทานอย่างเดียวพอแล้วหรือแตมาบอกอย่างนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีเท่านั้นแต่ไม่ใช่จุดจบมันมีเบื้องต้นทํากลางที่สุดให้ทานในเบื้องต้นรักษาศี ต้องควบคู่ไปด้วยอย่างโยมดูนางวิสาขาดนะมหาอุบาสิกานะใจบุญนี่ก็ต้องบอกที่หนึ่งมีทรัพย์มากมายก้ า, าที่จะสร้างวัดเป็นวัดวัดเงินที่ใช้ไปจนถึงบัดนี้ ยังมีผู้กล่าวขานยังเป็นบุญกุศลอยู่แต่สร้างขลังหัดหลังใหญ่ไม่ได้เป็นบุญอะไรเลยนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวความสบายของมนุษย์ในชาติหนึ่งสั้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปกระเสืบทอดมาสู่รุ่นหลานจนสุดท้าย ตกเป็นมรดกใครก็ยังไม่รู้หรือตกเป็นแผ่นดินเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเขบอกเออแล้วเขาได้คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นจักรายาความงามในเรือนร่างของนาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างผิวพรรณคิว้วสัน สวดทรงองค์เอลทุกอย่างนางได้สิ่งที่ดีมาไม่ใช่ชาติปัจจุบันที่เป็นวิสาขาก่อนที่จะเป็นวิสาขาเหตุตรงนั้นแหละดีมาแล้วจริงเกิดมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วมาลงในพื้นดินหรือพื้นนาที่สมบูรณ์โอ้โห ยมลองนึกดูว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมักผลเท่าไหร่อริมเเล็ดพันก็จะตายอยู่แล้วนาก็นาโอ้โหแห้งแล้งจนจะขุดไม่ลงแล้วยมว่ามันจะงอกไหมเนี่ย ดินแตกระแหงหมดแล้วเนี่ยโยมามันจะเขียวไหมเนี่ยตะเออฉะนั้นเขาสร้างมาดีอยู่อายุยืนจนลูกหลานมานั่งเทียบกันเนี่ยยังมองไม่ออกว่าใครเป็นใครด้วยซ้ำว่าคนไหนคือนางวิสาขาถ้าดูใบหน้าดูอายุกันอโอ้นางได้ บุญส่งให้นางเป็นจักรเลยาความงามทั้งห้าอย่างผมก็ดำสนิดดวงตาก็เป็นเนนเลียมผีปากก็สวยคิ้วก็โกกันคันธ น, นูฟันก็สวยเออส่งก็งามทุกอย่างเขาได้บางคนเกิดมานี้ดูหน้า คนมองหน้าต้องรีบหลบเลยกลัวจะถูกฟัดไม่ได้พูดเล่นนะโยมก็เห็นไหมหน้ามางคนเนี่ยโหเสือเห็นนี้หลบก่อนวิ่งไปสักสองกิโลก็กลับมามองใหม่เนื่งว่าเป็นพญาเสือแมวเห็นนี้โดดหลังคาหนีไปเลยใครมาอยู่ได้ก็ไม่เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันตาย ไม่ตายกับีการหนีหมดทนารมณ์ไม่ไหวเกลี้ยวกลาดจริงๆนะบงคนทำไมมันดุร้ายไม่รู้โหดเที่ยมอมัยหิตถึงบอกชีวิตคนเขาเกิดมาเหมือนถูกขึ้นมาจากนรกที่ผ่านกรรมมาแล้วก็ยังไม่วิบาก ตัวอยู่เกิดมาก็เหมือนกับมาใช้กรรมนะต่อให้ชาตินี้ทำดีแค่ไหนนะยมเชื่อไหมก็ถูกรังแกทำดีเพียงใดก็อายุติธรรมตัวเองก็ต้องถูกใส่ร้ายอีกละ่ะเออตอนใส่ร้ายผู้อื่นมันสะใจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุก ตอนมีอำนาจมียศถายิ่งกว่าก็รังแกผู้ด้อยผู้น้อยกว่าถ้ามาเคยไปดูตอนนั้นเคยไปที่เขาดินครั้งหนึ่งก็ลูกศิษย์พาไปเลือไปเห็นช้างที่เขาเอาโซ่ตรวนผูกอยู่กับข้อเท้านะ่ มองๆไปต้องบอกความรู้สึกมันบอกนะแต่มาใช้มาความรู้สึกนะพวกนี้เขาเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่พอสมควรชาติที่กลับมามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเกิดเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจสัตว์ใหญ่ จึงบอกเออชาติก่อนก่อนเขานึกจะจิกหัวใครเขาก็สับชาตินี้ไม่ทําตามที่ควานช้างต้องการเขาเอาขอสับเวลาพูดอะไรต้องให้คนอื่นฟังและให้ทําตามทั้งผิดทั้งถูกทุกอย่างไม่ต้องใช้เหตุผลเพราะชาตินี้หูตัวเองก็ถูกขอสับขอดึงขอเกี่ยว จะไปไหนใครจะขึ้นหลังจะขึ้นก็ต้องคุกเข่าหมอบให้เรียบเสียก่อนแล้วให้คนขึ้นไปขี่มันต้องแสดงความเคารพชดเชยทุกอย่างบอกเออเวรกรรมมีจริงไม่ต้องให้คนอื่นใช้ความคิดใช้ขอสับอย่างเดียวแล้วก็ใช้ตตวา ด, ดูเสียงแป้นแป้น เออเวรกรรมมีจริงความรู้สึกมันมันบอกจริงๆยิ่งไปอยู่อีสานเห็นพวกบัวควายตะมาเห็นความรู้สึกมันบอกตะมาใช้มาความรู้สึกพวกรีดนาทาเรนเอารัดเอาเปรียบกินแรงคนยากไร้ทั้งหมด ชีวิตพวกเจ้าไม่ได้มีความสุขนอนกลางดินกินกลางสายตากแดดตากฝนสุดท้ายถูกเี่ยนถูกตีเอาคาดลากไปตามพื้นดินลากไปตามพื้นดินเจ็บป่วยไข้ยาดีๆก็ไม่มี ถ้าตำท่าจะป่วยหนักเขาก็รีบให้ตายก่อนกลัวเนื้อจะเสียฆ่าเสียก่อนกรีดนาทาเรนเอารัดเอาเปรียบกินแรงคนสุดท้ายชีวิตพวกเจ้าต้องมาเป็นทาสของคนยากคนจด หัวอกคนไม่มีจะกินพวกยาวดูเสียข้ากินข้าวเองกินฟางข้ากินผักเองกินหญ้าบอกเออข้าอาบน้ำเองนอนในโคลนข้าอยู่ร่มไม้เองอยู่กับกลางแจ้งถูกแดดบอกเออข้านอนบนเองนอนจมอยู่กับกองขี้ กองมูลของพวกเองเหยียบย่ำกันอยู่ตรงนั้นยุงเยงก็แเตมไปหมดตมาบอกเออมันไม่ไปไหนนะกรรมนี่มันกลับมามันบอกจริงๆความรู้สึกว่าเออคนทำไว้เมื่อก่อนนั้นถ้ารู้ว่าเป็นเช่นนี้คงมีเมตตา ม, มากกว่านี้ คงมีเมตตา ม, มากกว่านี้ถึงบอกถึงบอกอยูยทีน้ำตา ม, มันก็จะไหลออกมาเองพวกวัวพวกควายพวกช้างสังเกตมันจะมันจะไหลออกมาเองต่ามาบอกเออบาปกรรมของพวกเจ้าใครก็ช่วยเจ้าไม่ได้ เจ้าร้องได้แค่แค่ม อ, อกับควายก็นั่นเองเจ้าว่าเขาโง่ตลอดสุดท้ายเจ้าก็เป็นวัวเป็นควายมีเขาที่แท้ก็ให้เขาจูงจมูกตลอดเจ้าไม่ต้องคิดว่าเหตุผลคืออะไรทำตามที่นายต้องการ ยิ่งหนักก็ยิ่งถูกเขี่ยนตียมสังเกตไหมพอยิ่งลากคาดจะไม่ค่อยไหวก็ต้องตีกระตุ้นหน่อยก็ดันเต็มที่เลยเออเบญก ร, ร ม, มีจริงจะมาไปสัมผัสรูร้สึ ก, กเออพวกเจ้ากินเหงื่อเขา แต่วันนี้เขาจะกินเลือดกินเนื้อเจ้าด้วยสุดท้ายพอใช้งานเสร็จเขาจะฆ่าและกินเลือดกินเนื้อเจ้าซกเล็กซกใหญ่นี่ตะพู้งงี้โยมพิสารเข้าใจล้วซกเล็กซกใหญ่มีเลือดมาเป็นถ้วยๆล้มาเนื้อแดงสดเจ้า เจ้า ก, กินหยดน้ำตาหยดเหงือ่อแต่เขาจะกินเลือดกินเนื้อเจ้าชาติเนี่เอ้ยถรมาว่าเวทกรรมไปเห็นแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจโยมถ้าโยมรู้สึกได้อย่างที่จะมารู้สึกเราไม่ค่อยอยากจะใช้คน ชอบช่วยเหลือคนมากกว่าถ้าใช้เขาก็ต้องให้ค่าตอบแทนเขาพอสมควรอย่าไปคิดว่าเราเหนือกว่าไม่โอกาสกว่าก็รังแกเขาแบบเปนคนไม่มีทางสู้พอโกรธโมโ oh ห ok ก็ไประบายกับผู้น้อยกว่างบอกเวลาพอกลับมา ถึงจะได้กินบางวันเขาบอกไม่ต้องกินกีเกียดนักเหมือนกันวัวควายทีเขาก็ผูกเจ้าของไปโทษแล้วกลับมาไม่ทันก็ไม่ต้องกินน้ำนะบางทีผูกติดไว้หญ้าก็ไม่มีแล้วไม่รู้จะเล็มตรงไหนแล้วก็ต้องยืนอด อ, อพอเขาลำบากขัดสน เขาก็ไม่สนเรานะเขาก็เอาเราไปขายในลงค่าเลยระวังนาโยมใครที่เป็นนายทุนใครที่เป็นเจ้านายใครที่ใช้คนอยู่ระวังกรรมตัวนี้จะกลับมาสู่โยมอจะมาเตือนไว้ไม่เช่นนั้นโยมจะกลับมาเป็นบัวเป็นควาย ให้เขาจูงจำบุกให้เขาเคยนให้เขาตีแล้ต้องมาลำบากนอนอยู่กับกองคูดมูดตัวเองจึบอกเออชีวิตมันเป็นกงกรรมกงเกีียนใครคิดว่าแกล้งคนอื่นและสนุกสนานโดยธรรมาบอกคิดผิดแล้วข่าลูก ค่าคนอื่นก็เหมือนค่าตัวเองค่าลูกคนอื่นก็เหมือนค่าลูกตัวเองกรรมนี่มันตอบแทนได้สะสมนะผิดกระตรงที่ว่าบางทีมันไม่ได้ให้ผลเหมือนกับทันใจที่เราเห็นเออก็ให้ระวังกันว่ายิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติภาวนา กำหนดจิตให้ได้สุดท้ายก็บอกให้รู้ใจเขาใจเราสุดท้ายเราจะอ่านจิตได้โยมจะอ่านจิตได้แต่ต้องเริ่มจากรู้จิตของตัวเองก่อนอก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุข ทุกท่านทุกคนเธอ